นแต่พูช้าชานะงพ่พูดพูดชาชาๆๆนิการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดแล้วมันเหลือแต่ยิบยับยิบยับนี่ไม่รอนะะไม่รอครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะว่ามันฝังอกฝังใจค่อยคำที่ท่านสอนกริยาอาการอะไรเนี่ยนะมันฝังอกฝังใจเราท่านสอนมันนั้นเป็นวันบรูรพาาจารย์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 ต้องเบรกตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ภาวนารวดเดียวไม่มีเว้นบัคเลยนะแต่หลวงพ่อเคยสอนเรื่อยๆว่าห้ามเบ้นบรคหมายถึงอยา่าขี้เกียจ น, นะตามรู้ตามดูไปตอนไหนเหนื่อยแล้วก็ทําสมถะอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเว้นบัคนะเว้นบัคหมายถึงว่าลืมการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาหนีไปอยู่กับโลกโ อ, อย่างนั้นถึงจะเรียกเบ้นบัคเพราะฉนั้นเราภาวนาเรารู้กายเรารู้ใจนะสติทํางานอัตโนมัติไปเรื่อยๆถึงเวลาเหนื่อยแล้ว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 ค่อยๆเรียนนะกว่ า, าหลวงพ่อจะเข้าใจแต่ละอันแต่ละอันนะลําบากนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่บอกมีแต่ให้ลองทําเอาลองทําเอาไปทําเหอะเดี๋ยวก็แจ้งเองบางเดี๋ยวนะนนะเกือบยี่สิบปีไนหะ <ś rugged> มีอยู่เดี๋ยวหนึ่งนะสุดๆเลยเดี๋ยวสุดๆเลยคือคําสุดท้ายที่หลวงปู่ดูลสอนให้บอกพบจิตให้ทําลายจิตพบผู้รู้ให้ทําลายผูร้รู้จิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง นี่สอนมาตั้งแต่ประมาณกันยาสอง2กกว่าจะเข้าใจเลยนะโอ้โหนานกว่าจเข้าใจ22ปีได้กว่าจะเข้าใจใช้เวลานานที่ใช้เวลานานเพราะว่ามัวอยู่กับโลกอยู่กับโลกภาวนาแล้วก็หยุดภาวนาแล้วก็หยุดนะมันภาวนายากนี่เป็นคารวาดภาวนาเบื้องต้นนะพอได้นะภาวนา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 ไปคนเดียวดีกว่าเอาตัวรอดไปเพลินอุปชาท่านอนุ ญ, ญาตท่านอนุ ญ, ญาตท่านบอกว่าเป็นพระกรรมฐานท่านให้ถือนิสัยท่านอยู่สามเดือนแล้วท่านปล่อยเลยท่านบอกว่าให้ช่วยตัวเองไปเพราะว่าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนั่นรับรองว่าช่วยตัวเองได้ท่านให้ช่วยตัวเองแล้วก็รู ป, รปลุกคลำคลของเราไปนะกระท่อนกระแท่น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 ตอนเช้ามืดนหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ยากหรอกนะถ้ารู้หลักนะแต่ถ้าไม่รู้หลักนี่ยากสุดๆเลยรูปรูปคลำคลำผ่านไปเดือนสองเดือนสมเดือนมาอีกแล้วมีข่าวมาจากป่าละอูได้ยัง <c oughs> โอ้อไนะก็ข่าวมาที่ฟิธทนะีฟิธทีหนึ่งก็รวนไปทีหนึ่งนะนี่เรียกว่าความรัก ความรักของพี่ชายนะทําให้น้องชายปิดจัดพอเราภาวนาพอเออสบายสบายแล้วเราก็กะว่าเราก็อยู่ของเราอย่างนั้นสบายๆนะพี่ชายก็ไม่ยอมให้เราอยู่สบายสั่งให้ย้ายมาอยู่นี่สให้ย้ายย้ายมารับชะตากรรมแต่เดิมตอนอยู่สวนโพอ่ะ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 เรานึกว่าดีเราก็เลือกไปเลยแล้วก็เชื่อไปเลยมอบกายถวายชีวิตนะได้ถวายชีวิตได้แน่อย่างนั้นนะต้องทดสอบนะอย่างฟังธรรมะครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำไปทำไปช่วงหนึ่งสามเดือน6เดือนอะไรเนี้ยแล้ววัดตัวเองดูมีพัฒนาการที่เห็นได้ไหมนะถ้ามีพัฒนาการที่เห็นได้ก็เดินต่อไปถ้าไม่มีพัฒนาการก็ต้องหยุดละ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 พอกลับบ้านหมดแรงกวนนะตัวจริงโหลกมาแถมบวกดอกเบี้ยด้วย <c oughs> ให้เก็บกวนเนี่ยต้องมีดอกเบีย้ยร้ายพอมาหัดรู้สึกรู้สึกนะตัวเองเปลี่ยนเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานมีครูหรือเมื่อวานวันสืนออ๋อนี่เหร อ, อานานครูนี่สิเมื่อก่อนร้ายกาดลูกศิษย์บอกชอบตี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 สงบไม่รู้เรื่องเลยค่ะรวมจิตรวมรวมทีเดียวถึงเช้าทุกวันเลยนะไม่ได้เรื่องนะอย่างั้นกรรมฐานนะั้นอยากยืนก็ยืนอยากเดินก็เดินนะอยากนั่งก็นั่งถ้าอยากนอนให้นั่งให้เดินนะยกเว้นอยากนอนนะตามสถติมีเหมือนกันบรรลุตอนนอนนะมีแต่มีน้อยมี อ, องค์ทางศีสเกต องนั้ น, นอนกรรมาฐานท่านนอนแล้วสติเกิดดีพอฉันข้าวเสร็จหมดธุระอะไรนะก็ปิดอุตินอนแล้วนอนดูไปจนพ้นไปมีองค์เดียวนะอย่าไปเอาอย่างเป็นความสามารถพิเศษคล้ายๆในทีวีใช่ั้ยเวลาใครทำอะไรแปลกๆ ก, ก็ต้องมีคำเตือนนี่เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบคนอื่นต้องนั่งนะต้องเดิน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 เวลาไปเยี่ยมครูบาอาจารย์หลายองค์นะกระทั่งท่านอาจารย์ตันโอ้โหอิจฉาจังเลยอิจฉาหนอะอิจฉาเนอะ <c oughs> ทาไมมีความสุขอย่างนั้นนะไปเจอหลวงตาขนึกมีแต่ความสุขไม่มีใครไปยุ่งด้วยสบายในในหลวงพ่อก็เหนื่อยแล้วนะพวกเราให้คุ้มๆหน่อยนะ <c oughs> สอนเหนื่อยเพราะว่าไม่ได้สอนแบบเลคเชอร์หลวงพ่อสอนแบบ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 โมโหแต่ว่ารู้ทันไม่ถูกความโมโหครอบงำจิตใจมันเปลี่ยนนะรู้ด้วยตัวเองแต่ละคนจะรู้สึกเองใจโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขน <c oughs> ี่ป้าโสเจ้าของขนมชั้นมาใหม่ๆมืดตือๆเลยนะหลวงพ่อเรียกมาเองเห <c oughs> ็นชอบไปคุยธรรมะนะ <c oughs> คุยธรรมะลึกซึ้งเราเพิจารณาไม่ใช่หรอก <c oughs> ของปลอม <c oughs> บอกคนไปเรียกมา <c oughs> เรียกมามาฟังอยู่สองสามีนะตื่นขึ้นมาแล้วเข้าใจแล้วการภาวนามไม่ได้เหมือนที่ทำอยู่หรอกเข้าใจขึ้นมานี่อย่างตึกตึกนั้นมันหัวดือ้อนั่งท้ายห้องมันดื้อเหมือนตึกเลยคือ <c oughs> ต, ตึกไม่ค่อมีความรู้สึกดือ้อซ้อมนานหลายปีพอรู้สึกขึ้นมาเป็นนะก็เป็นนิวตึกเปลี่ยนเปลี่ยนฉับฟัน